พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีเผื่อเราจะได้มีความสุขความไม่กังวลความไม่ห่วงใยอะไรต่ออะไรนั่นนั่นันเป็นความสุขอันยอดเยี่ยม ความทุกข์ที่เกิดจากความอะไรความมีความเป็นอันนั้นมันเจืออยู่โดยทุกข์เพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงภาพจากอารมณ์เหล่านั้นสละอารมณ์เหล่านั้นออกไป อันความสุขที่สะอาดปดจดนั้นมันไม่ต้องยึดถืออะไรทั้งหมดเลยเพียงแต่ละอารมณ์อันที่เป็นค่าสึกแก่ความสงบนั่นแหละให้ได้มเมื่ อ, อระอารมณ์หมนั้นหมดลงไปแล้ว จิตมันก็เป็นเอกขาตาเนี่ย ว, ว่าเป็นหนึ่งดังนั้นจึงไม่ยึดไม่ต้องยึดอะไรเลยมันเป็นหนึ่งอยู่โดยลําพังอย่างนี้แหละจึงว่าเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมสุขไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งใดสุขที่อิงอาศัยวัตถุสิ่งของนั่น ขัน พ, พ่อวัตพอวัตถุสิ่งของนั้นมันนิบัตเย่อยยับไปความสุขนั้นมันก็หมดไปตามกันให้พึ่งพากันสันนิษฐานดูให้รู้ด้วยตนเองเช่อนอย่างว่าเราปล่อยใจให้ไปผูกพันกับสิ่งใดถึงถ่งนึ่งภายนอกอย่างนี้นะเมื่อไปผูกพันเขาแล้วก็อยากได้มัน อยากได้แต่ไม่มีโอกาสที่จะไปสแสวงหามันยังก็เป็นทุกข์ใจปเปร่าเปล่าเป็นอย่างนั้นถ้าผู้มีโอกาสไปสแสวงหาเมื่อได้มาก็ดีใจไปชั่วระยะหนึ่งทันมาสิ่งเหล่านั้นแตกดับทำลายลงเขามีแต่ความเสียใจเศร้าโศกเป็นกำลัง ก็เป็นเช่นนี้แหละบุคคลแสวงหาความสุขอาศัยวัตถุสิ่งของอาศัยความรักความใคร่ต่างๆพวกนี้มันคล้ายๆกับแสวงหาความสุขที่เจืออยู่ด้วยความทุกข์มันจึงเป็นสิ่งที่ไม่สมควรแก่ผู้ที่เป็นชาวพุทธทั้งหลาย หรือว่าไม่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีศรัทธาได้เข้ามาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดวาอารามแล้วเช่นนี้เนะี่ยมันต้องพยายามแหละพยายามคลายอารมณ์ต่างๆที่จิตมันยึดมันถือไว้ออกไปเรื่อยๆอย่ายึดอย่าถือเอาไว้ การนี้เราจะคลายมันออกได้ก็เพราะอาศัยสตินี่เนี่ยประคองจิตหรือว่าอาศัยขันติความอดกั้นไม่คิดแส่สายไปเหมือนเดิมมนะสะกดจิตนี้ให้อยู่ภายในเพ่งจิตนี้อยู่ เมื่อเพ่งเข้าไปนานๆเขาก็เกิดเป็นตะปะธรรมเพผากิเลส ท, ที่มันหมักหลองอยู่ในจิตใจเ่าโรนกิเลสมันอยู่ไม่ได้มันก็ถอนตัวออกไปอย่งนี้อาการที่บุคคลจะคลายอารมณ์ต่างๆหรือว่ากิเลสต่างๆอันมักผ ม, มอยู่ในใจนี่ได้ก็ะเพาะอาศัยความเพียรเพ่งพินิษ ไม่ใช่ว่าอยู่ไปเฉยๆเนี่ยกิเลสมันจะเบาวางไปเลยอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เราต้องมีความเพียรความเพียรเพ่งพินิษลงในปัจจุบันเนี่ยเอาปัจจุบันนี่นะเป็นหลักเลยเป็นหลักของการเพ่งเป็นหลักของการละกิเลสอุปาทานความยึดตั้งถือมั่นต่างๆ มันก็ยึดอยู่ในปัจจุบันนี่แหละถ้าปัจจุบันนี้มันไม่ยึดถืออะไรแล้วอดีตอนาคตมันก็ไม่ไม่ยึดไม่ถือเหมือนกันเพราะว่าอดีต hmm. มันก็ไปจากปัจจุบันนี่แหละจิตมันเพ่งไปจากปัจจุบันนี่เองอืมอนาคตที่ยังไม่ได้ไปถึงจิตมันลำพึงไปมันก็แล้วมึงออกไปจากปัจจุบันนี่แหละ เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเพ่งจิตลงในปัจจุบันนี้แล้วมันมันหายไปหมดสัญญาอารมณ์ต่างๆเหรานั้ย น, นะจิตรวมลงเป็นหนึ่งลงไปแล้วมันหายไปหมดเลยมันเป็นอย่างนั้นมันก็ยากที่ตอนมาทำจิตให้เป็นหนึ่งลงไปนี่แหละแต่ยากยังไงจำเพียงก็ต้องได้ทำถ้าไม่ทำก็พ้นทุกไปไม่ได้ พุกคนต้องมาฝึ ก, กจิตตนแมนเจเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่สักกี่ชาติกี่ภพก็าตามถ้าไม่ผูใ้ใดไม่มีศรัทธาฝึ ก, กจิตใจตัวเองนี่แล้วก็ค้นทุกข์ไปไม่ได้เลยก็ต้องเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ยนี่แหละบางทีไปทำบาปกรรมอันชั่ว ตายแล้วก็ไปตกนรกหมกไม่อยู่ในอบายภูมินะินแสนนางน า, นนานไหนทนทุกทรมานอยู่มีบุคคลผู้ไปฝึกกิตนะแน่นอนแหละเราจะเห็นได้ดังคนเกิดมาในโลกนี้นะผู้ไม่สนใจเรื่องศาสนาไม่ฝึกกิจใจคนบางพวกก็ไปเป็นโจรห่าเจ้าเอาของ อเช่นนี้แล้วธรมรมดาโจรเนี่ยมันใจดำอมหิตไม่มีเมตตากรุณาอะไรขวงหน้ามันทำลายทั้งนั้นเลยนี่แล้วจะไม่ให้บาปกรรมแล้ว ม, มันนำไปสู่นรกยังไงเล่าอันนถ้าบุคคลทำชั่วยอย่างนั้นแล้วไม่ได้รับผลแห่งกรรมชั่วนั้นเช้ในการทำกรรมดีต่างๆ ก็ไม่ได้รับผลดีเช่นเดียวกันนั่นแหละแต่แล้วนี่บุคคลทาดีก็ยังได้รับผลดีอยู่ปรากฏเห็นอยู่อย่างเช่นผู้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้นะผู้เห็นโทษแทงกามกุณนี้ออกจากบ้านเรือนมาบวชอยู่ในพระศาสนานี่อย่างนี้ไอ้ผู้เท่ ละกิเลสได้จริงผู้ที่เห็นโทษของกิเลสตัณหาจริงทำความเพียรละมันก็เห็นผลด้วยตนเองทำให้จิตใจสงบระ ง, งับเยือเกเย็นสบายแล้วการประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่ขาดตกบกพร่องมีความประพฤติสม่ำเสมอไปเสมอต้นเสมอปลาย นี่ไม่ขึ้นขึ้นลงล ง, ลงความประพฤตินะท่านผู้รู้ทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นท่านประพฤติสมมำเสมอในธรรมในวินัยเรื่อยไปนี่ก็แสดงว่าการประพฤติภมจันทร์หรือการปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าเนี่ยมันได้ผลนะ่ะ ลายใดที่ไม่ได้ผลก็อยู่ไม่ได้ซึกออกไปเห็นได้ชัดๆเหมือนเนี่ยผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์ไปทำความเพียรไปทำให้กิเลสน้อยเบาบางไปก็ได้ความสุขความสงบใจก็ยินดีประพฤติพรหมจรรย์นี้ไปจนตลอดชีวิตชีวาบางทีบุญวาสนามันมี แกกล้าขึ้นก็สามารถได้บรรลุมรรคธรรมวิเศษขั้นใดขั้นหนึ่งได้ในชาติปัจจุบันนี้แหละหนทางบรรลุมรรคธรรมวิเศษก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรอ่ะบุคคลมีศีลใช่บริสุทธิ์แล้วจเจริญสมาธิภาวนาเข้าไปเมื่อทาใจสงบรังคับลงไฟแล้ว ก็หัดเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นโดยเอาธาตุสี่ขันธ์นี่แหละเป็นตำราสำหรับฝึกจิตให้ฉลาดเพ่งพิจารณาดูธาตุสี่ขันธ์ดังที่เคยอธิบายให้ฟังมาแล้วนั่นแหละธาตุสี่คืออะไรบ้างขนาันธ์นะอืม ขันห้าคืออะไรบ้างโมนี่นะต้องคิดต้องวิจารณ์ดูขันดังห้าเมื่อแยกออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นรูปประธรรมส่วนหนึ่งก็เป็นนามธรรมอย่านี่ยแล้วก็ต้องเพ่งพินาดูให้รู้แจ้งทั้งรูปประธรรมทั้งนามธรรมเหล่านี้ เพราะนามธรรมไม่มีรูปร่างส่วนรูปธรรมมีรูปร่างมองเห็นด้วยตาหนังและส่วนที่เป็น อ, อ, อ, อวัยวะภายในนี่มองด้วยตาในคือตาใจได้แก่ใจเพ่งอย่างที่ว่านั่นแะจนเกิดอุคหันิมิตขึ้นติดตาติดใจ อุกหะนิมิติมิตติตาติดใจนั่นนะใหแก่อวัยวะน้อยใหญ่ของร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งมาปรากฏในมโนทวารแล้วก็เพ่งดูอวัยวะส่วนนั้นเมื่อเห็นแจ้งในอวัยวะส่วนนั้นแล้วก็เท่ากับว่าเห็นแจ้งหมดทั้งร่างกายนี่เอง เพราะว่ามันมีสภาวะเหมือนกันหมดเลยไม่แตกต่างกันดังนั้นอย่าพากันประมาทไอนอนเฝ้านั่งเฝ้าร่างกายอันนี้อยู่หมายหมายเอาดวงขีดนี่แหละมาอาศัยร่างกายนี่อยู่แล้วแต่ไม่รู้แจ้งในร่างกายนีนะ่มันถึงเป็นทุกข์ล้วเนี่ยเหมือนอย่างบุคคลอาศัยบ้านเรือนอยู่ แต่ไม่รู้จักบ้านเรือนของชนว่าสร้างด้วยอะไรทำด้วยอะไรนี่ยนีอาศัยปันไปอยู่เฉยๆเนี่ยแต่เวลามันุสำรุดสุดโทรมลงก็เดือดร้อนผนตกมาก็รั่วแดดออกมาก็เผาหนังคามุงไม่ดี เปรียบได้อุปมาเหมือนอย่างบุคคลขาดการสํารวมกายสํารวมวาจาเช่นนี้กิเลสมันก็รั่วเข้าไปรดจิตใจทำให้ใจที่อาศัยอยในะร่างกายนี้ก็เดือดร้อนไปร่างกายนี้มันก็เป็นเรือนหลังหนึ่งจะเป็นเรือนภายใน น, นี้เป็นที่อยู่ของดวงจิต ส่วนเรือนภายนอกเป็นที่อยู่ของร่างกายอย่างนั้นแหละผู้มีปัญญาหาทรัพย์ได้เขาจึงสร้างบ้านถาวร อ, อยู่มันได้อาศัยไปนานไม่ได้ซ่อมแซมให้ลำบากแล้วป้องกันพ้นแดดลมสัตว์มีพิษสัต ลิ้นยุ่งอะไรต่ออะไรได้อืมอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลผู้หวังความสุขอันยืดยาวนานก็ต้องสร้างความดีให้มากมากเข้าไว้อืแล้วสร้างความดีให้เกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็รักษาความดีอันนั้นไว้ในใจให้มั่นคงอย่าให้ใจมัน โน้มไปทางบาปอากุศลถ้าถ้าจิตใจนี้มันโน้มไปทางบาปอากุศลแล้วกุศลที่อยู่ในใจที่ตนสร้างขึ้นมามันก็เสื่อมไปเพราะว่าใจไม่จดจ่อนี้ไม่เชื่อบุญนะเชื่อบาปเชื่อกิเลสตัณหานน่นถึงได้ปล่อยจิตให้ไหลไปตามอำนาจของกิเลสตัณหา อันนี้ชั้นใจก็อย่างนั้นแหละเหมือนอยบุคคลอาศัยอยู่บ้านเรือนแล้วไม่รู้จักซ่อมแซมบ้านเรือนตัวเองปล่อยให้ผนตกรั่วรถอยู่อย่างนั้นบุคคลผู้ไม่สํารวมกายไม่สํารวมวาจาให้ตั้งอยู่ในพุทธบัญญัติต่างๆนั้นก็เช่นเดียวกันนั่นแหละ มันก็นำอารมณ์ที่ก่อให้เกิดกิเลสตัณหาความรักความใคร่เข้ามาสู่จิตใจนี่หนาแน่นขึ้นไปจนเป็นเหตุให้คนเราทำความชั่วเพราะราคะตัณหานี่ก็มากมายเป็นรักบวดก็รุง่งศีลล่วงวินัยอย่างร้ายแรงนี่ก็พอราคะตัณหานี่แหละ เป็นมูลเหตุนะไม่ละมันนี่ส่งเสริมมันเพราะนั้นพระวินัยบางว่ากลาบางข้อหรือว่าหลายข้อนะทรงบัญญัติเกี่ยวกับราคะตัณหาเนี่ยก็เพราะเหตนนุดังกล่าวมานี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติทาม ถ้าไม่ให้เข้าไปผูกพันกับเพศตรงกันข้ามถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องเพราะว่าเมื่อไปเกี่ยวข้องเขาบ่อยๆแล้วมันเป็นสื่อทำให้ดึงดูดเข้ามาสู่จิตใจนนทำให้อารมณ์เหล่านั้ น, นการสังคม มันดึงดูดเข้ามาสู่จิตใจอันบุคคลผู้ยังระคามาณหาไม่ได้แนะ่นอนแหละมันดึงดูดง่ายเหลือเกินนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นลองสังเกตดูพระวินัยนั่นนี่ข้อห้ามต่างๆนั่นนะเกี่ยวกับความรักความใครนะ่ถ้าผูใ้ใด ไม่ละเลยในพินัยนน่ะมันดูมันพิจารณาแล้วก็จะเห็นได้ว่าราคะตัณหาเนี่ยมันมีโทษอย่างร้ายแรงเป็นฆ่าศึกต่อพรหมจรรย์อย่างร้ายแรงมากดังนั้นเมื่อเราเห็นว่าชีวิตของเรานี่เหมาะสมกับการประพฤติพรหมจรรย์เรามีบุญเราละจาก ห่วงจากอะไรต่างๆภายนอกมาแล้วเช่นนี้แล้วเราก็ไม่เอาห่วงอื่นเข้ามาอีกสํารวมตนให้ดีมีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังความคาิดของตนให้มันตรงต่อธรรมต่อวินยัยเลือ่อยไปอันนี้แหละ มันจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นทุกภายในสงสารอันนี้แล้วก็เห็นเหตุให้เกิดทุกเหตุที่มันจะมาเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่นี่ก็เพราะความรักความใคร่เนี่ยแหละเป็นมูลเหตุไม่ใช่อย่างอื่นใด้ามันคลายความรักของใคร่ในนี้ออกแล้วมันไม่ได้มาเกิดอีกเลย มาไม่มาทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้แล้วดวงจิตดวงนี้หมายเอาดวงจิตดวงนี้อันร่างกายนั่นน่ะมันก็เกิดจากจิตใช้กายทำใช้วาจาพูดดีบ้างชั่วบ้างแล้วทำไปแล้วพูดไปแล้วมันยึดถือเอาไว้ มันก็เลยเป็นตัวกรรมนะนะตัวกรรมแล้ว น, นะกานนาจิตปัญญาให้ไปเกิดในรูปในนามนั่นกอมก็เกิดมาแล้วก็มาสวยทุกอย่างที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละให้สังเกต ด, ดูเอาสวยทุกอะไรไม่เห็นมีทุกอะไรนี่ทำไมไม่มีทุกหล่ะ การแสวงหาอาหารมาหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้เนี่ยไม่ใช่ของง่ายนะถ้าไม่ใช่นักบวชแล้วน่ะลองดูเครือข่ายเนี่ยต้องได้กำฝนทนแดดข้าไม่ได้ยืนคืนไม่ได้อยู่นิดเดียเมื่อยล้าเท่าไหร่ก็ต้องอดต้องทนกลัวจะได้เงินทองเข้าของมาเลี้ยงตัวและครอบตัวเองคิดดู ถ้าไม่ทำการทำงานอย่างนั้นมันก็ไม่มีอาหารมาหล่อเลี้ยงไม่มีผ้านุ่งผ้าหม่มไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเจ็บไข้ใดป่วยลงไม่มีเงินจะไปจ้างหมอเขารักษาเขกาก็ไม่รักษาให้กห็ตายฟรีลอาคิดดูนั่นแนะชีวิตคืออัตภาพร่างกายอันนี้นะมันเป็นทุกข์ขนาดไหน ผู้ม่พิจารณาดูเหมือนว่ามันสบายเมื่อโครคภัยไม่เหียเวียนแล้วดูเหมือนสบายไปเขา อ, อาศัยความสบายอย่างว่านี่มันไม่อยากหนีจากโรคนี้มันไม่พิจารณาด้วยปัญญาถ้าว่าลองพิสูจน์ความจริงก็ได้นะลองอย่ารับประทานอาหารลองดูสิร่างกายนี้มันจะอยู่ได้เท่าไหร่ล้อ หรือว่าลองอย่าอาบน้ําสะเก็ดฟันลองดูสิร่างกายนี่มันจะเป็นอย่างไรอ่ะแื่แน่นอนนะมันส่งกลิ่นคุ้งไปทั่วเลยอ่ะอแสดงว่าสิ่งโสโครกต่างมันหลั่งไหลออกมาตามขุมขนเนี่ยตามทวาวรทั้งเก้านี่นะท้งได้ถ่ายเทของเสียออกมาอพอประมาณนั้นร่างกายนี่มันถึงอยู่ได้ ดังอย่างคนกินแล้วไม่ถ่ายอย่างนี้นะท้องผูกอะ่ะเอาก็เดือดร้อนแล้วอย่างนี้เนะี่ยหรือว่าคนเป็นไข้อย่างนี้เอา้าคนเป็นไข้แล้วไฟธาตุมันร้อนมากมันแรงมากมันรอนกระวนกระวายเอา้ามัน เหงื่อก็ไม่ออกอืเรียกว่ามันไม่คลายสิ่งโสโครกออกมาแล้วมันก็เือร้อนนะวุ่นวายเกิดทุกขเวทนาขึ้นในกายในจิตทีนี้เมื่อเพชไข้แล้วมันหายไปมันจึงคลายสิ่งโสโครกออกมาเหงื่อไข้อะไรตามขุมขนเนี่ยอะคนยังค่อยได้ความสบายภายในยบ้าง หายไขย้หายเจ็บไข้ป่วยไปเพราะฉะนั้นร่างกายอันนี้เนี่ยมันเป็นอยู่ด้วยการประคบประงมด้วยการรักษาดูแลสัรพัดมันถึงเป็นอยู่ได้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้พากันพินิษพิจารณาดูให้ดี มันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เราจะมองไม่เห็นความจริงมองเห็นอยู่นี่ไม่ว่าครือขัดไม่ว่านักบวชก็รูปร่างกายนี่มันก็อันเดียวกันนี่ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันมีช่องว่างที่เรียกว่าอากาศธาตุ เช่นช่องช่องจมูกช่องปากช่องหูเป็นต้นเ่าเนี่ยแล้วก็มีวิญญาณธาตุมีวิญญาณมาอาศัยพระศาสดาทรงส อ, งสอนใพารนาลงให้เห็นเป็นธาตุลงไปหมดธาตุหกอันนี้นะเดียวธาตุาเมื่อไม่แยกออกมันก็มีหกเท่านี้นหะ เมื่อแยกแง่ก็ออกไปมีถึงสิบแปดนู่นนั่นแหละมีถึงสิบแปดจักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุนั่นแหละตาเนี่ยก็เป็นสามซะสามธาตุตาไปเห็นรูปเป็นรูปประธาตุนั่นแหละ แล้วเกิดวิญญาณขึ้นรู้แจ้งทางตาทา่านก็บอเป็นวิญญาณธาตุนี่ไม่ใช่สัต์ไม่ใช่บุคคลอะไรนะเป็นแต่สภาวะธาตุเท่านั้นแหละหูก็เหมือนกันจมูกลิ้นกายอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆหมู่นี้มันก็ล้วนแต่เป็นสภาวะธาตุทั้งนั้นเลยเราพิจารณาลงไปให้มันเป็นธาตุลงไปนั่นเ่ง ให้เห็นเป็นธาตุลงตามธรรมชาติของมันธรรมชาติของมันก็เป็นแต่ธาตุไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเลยในร่างกายทุกส่วนเนี่ยอย่าว่าแต่ร่างกายแม้แต่ดวงกิดนี้ก็ไม่ใช่ของใครเป็นสภาวะธาตุเท่านั้นเองนะ ถ้ารู้นี่แหละต้องพิจารณาให้มันถึงความจริงเมื่อเราพิจารณาถึงความจริงแล้วไม่ว่าครือข่าไม่ว่านักบวชย่อมทําความดีได้บมดนี่นะย่อมมีความเพียรเขารู้จักทุกแล้วก็รู้จักเหตุให้เกิดทุกไอที่มันจะเป็นทุก เกิดแก่เจ็บตายไม่รู้แล้วรู้รอดนี่ก็เพราะตัณหานี่แหละตัณหาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจอืมถ้าใจนี่ไม่อยากได้อะไรเสียแล้วในโลกนี้หมดอยากหมดหิวแล้วมันก็ไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงเหล่านี้ไม่มาแล้วอืมที่มันยังมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงอยู่นี่ ก็เพราะมันอยากไม่รู้จักอิ่มนั่นเองอยากในรูปอยากในเสียงอยากในกลิ่นอยากในรสอยากในสัมผัสเจ็นร้อนอ่อนแข็งนี่นะมันอยากมันหิวอยู่อย่างนั้นเมื่อมันหิวแล้วมันก็ไปแสวงหาเท่านั้นนะมเมื่อแสวงหาได้มาแล้วก็มายึดถือว่าของเราของเขาอยู่อย่างนั้น รุอยึดถือร่างกายนี่เป็นตัวตนแล้วมันก็ไปยึดถือสิ่งภายนอกทำมาเป็นของเราเข้ามาอีกอแบกภาระเข้าไปหลายอย่างสารพัด ต, ตั้งแต่มันแบกเอาไว้อะอันนั่นก็เงินของเรานี่ก็บทองของเราอ น, นัค น, นาของเรานี่ก็บบ้านของเรานั่นก็เมียของเราผัวของเราลูกของเรา รถของเราอะไรต่ออะไรจีปาถะจะเป็นของเราหมดเลยนี่จะเป็นของเราแต่มันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของเรากว่านี้นั่นเนี่ยสายเหตุที่มันจะเป็นทุกข์เน่ยก็มันหัวแห็นไว้แล้วมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังได้อะไรมาแล้วก็อยากให้มันยั่งยืน ตลอดไปแต่แล้วต่แล้วมันก็ไม่ยั่งยืนให้อย่างนี้นะมันก็แปรผันแตกดับทำลายไปอันนี้แล่เพราะฉะนั้นเนี่ยภาวนาให้มันเห็นแล้วก็ปรงวางลงไว้ตามสภาพของมันแล้วไม่อยากไม่หิวอะไรละความอยากความหิวหมดแล้วความทุกข์ทางใจมันก็ดับไป ดังแสดงมา